วันนี้เป็นก็เป็นวันมหาหมงคลวันหนึ <c> ่ง <oughs> โดยอาศัยอาจารย์ศรีมหาวีโรจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่วัดป่ากุง้งได้นำบริษัทบริวารมาทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์และประชาชนญาติโยมทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดรวมมาสร้างมหากุศลมาทำวัดทำบาคุบาอาจารย์ มาฟังอัดฟังธรรมวันนี้โดยอาศัยอาจารย์ศรีเป็นต้นเหตุอาจารย์ศรีท่านมีนิสัยวาสนากว้างขวาของอยู่ไม่น้อยนะเราขอชมท่านตามความความจัดความจริงซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วตั้งแต่สมัย <c oughs> หลวงปู่ ม, มั่นจำพรรษาที่หนองผือท่านก็อยู่ด้วยกันที่นั่นกับเรามาจากนั้นก็แยกแต่กระจายกันไปทุกแห่งทุกหนต่างองค์ต่างไป นานๆจะได้มาวันหนึ่ง <c oughs> วันนี้ท่านมาไม่ได้มา ไ, ไ, มได้ไหมเนี่ยฮะท่านมาไม่ได้ร่างกายทุกพลภาพแต่จิตใจของท่านมีความขรรพเรื่มใสในครูในอาจารย์ในพุทธศาสนาในมีความยินดีกับประชาชนทั้งหลายยังได้ชักชวนบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและครวะมีจำนวน มากมายเรียกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดเนื่องจากท่านมีสาขาหลายแห่งท่านบอกไปสาขานี้บอกไปสาขานั้นเท่านั้นและกระจายกันทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดเลยวันนี้จึงเรียกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเรามาทั้งจังหวัดบ้างนั่นเลยเราสงสัยเลยว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะเมือเป็นเมืองล่างหรือไงไม่ทราบวันนี้มากันหมดนี่ท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนากว้างขวางองหนึ่งเหมือนกัน คนเราจะสอให้เห็นเรื่องลูกจิตลูกหาบริษัทบริวารทั้งฝ่ายพระคารวะจ้าโจรที่มาเกี่ยวข้องมากมายมีนิสัยอย่างไรแสดงถึงนิสัยของผู้เป็นเครื่องดูดดื่มของประชาชนพระเนรทั้งหลายอยู่โดยดีถ้าเป็นนิสัยขับแทบติดตันไปที่ไหนไม่ค่อยมีใครเคารพนับถือไม่มีใครเขาคอยคบค้าสมาคมทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวะ จืดจืด ช, ชื่อไปไหนไม่ดูดดื่มอยู่ที่หัวใจของผู้เป็นต้นนั่นแหละสาคัญเป็นต้นเหตุเป็นจุดศูนย์กลางอย่างอาจารย์ศรีนี่ก็เป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดบรรดาประชาชนข้านเนนทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านจำนวนมากมายแล้วท่านชักชวนหรือบอกประกาศเพียงตอนนั้นท่า น, นทั้งหลายเหล่านั้นมาเองด้วยความเคารพื่อมใส วันนี้ก็มาเป็นจำนวนมากมายเราก็เคยไปวัดท่านหลายครั้งหลายหนแล้วเน้นวันนี้ท่านก็มาและท่านเคยมาเป็นประจามาวัดนี้ด้วยความเคารพนับถือกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นด้วยกันท่านเป็นผู้มีนิสัยวัสนากว้างขวางลูกจิตลูกหาบริษัทบริวารทั้งฝ่ายพระและกัลยาณ์จึงมีจำนวนมากไม่ต้องไปดูองท่านแหละ เพียงเท่านี้ก็ทราบแล้วว่าท่านมีนิสัยวาสนาอย่างไรท่านต้องมีนิสัยวาสนากว้างขวางบอกที่ไหนพูดที่ไหนมีคนเคารพนับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตามก็เป็นอย่างที่เห็นมานี้เนี่ยเต็มสลานี่จังหวัดร้อยเอ็ดท้งนั้นละท่านมานอกจากนั้นยังมีผลพลอยได้เขาอีกในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาตั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลคราวนี้ เ็ได้รับส่วนแบ่งจากจังหวัดร้อยเอกวันนี้นะคอ้ฟังฟังเทศเจ้าก่อนผู้ที่จะกลับไปอุกรุงเทพมีน้อยเมื่อไรอยู่เนี่ยจังหวัดต่างๆที่มาในงานวันที่สิบสองสิงหาคมนั้นยังไม่กลับเพราอได้ทราบว่าวันนี้จะมีการประชุมฟังเทศฟังซ้มกันท่านเหล่านั้นจึงต้องรอสักก่อนหรือยังไม่กลับพอเสร็จจากนี้แล้วต่างท่านต่างก็จะกลับบ้านถิ่นฐาน บ้านเดือนของตนโดยลำดับลำดาไปแล้ว <c oughs> วันนี้ท่า น, นมาพร้อมหน้ากันอยู่ในสถานที่นี้เรามีความภาคภูมิใจกับบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นแนวหน้าของประชาชนทั้งหลายขอให้เป็นผู้มีศีลจาฆวิปฏิบัติตนด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมพระดับตนพระเราไม่มีอะไรสวยงาม ในโลกนี้ตะละัขีลี้วที้เละที่สุดก็คือพระของเราโอไม่มีอะไรถ้าว่าผ้ากับผ้ากแก่นขนุนตามหลักบาลีท่านแสดงไว้แล้วผ้ากแก่นขนุนผ้าที่ใครไม่มีไม่มีจ้องการนั่นเนี่ยผ้าหมดละค่ําราคาเป็นผ้ากแก่นกรากแต่นขนุนเอามาครองตัวศีรษะก็โกนของหมดไม่มีอะไรเหลือโลกที่ก็ถือว่าเป็นสวยของสวยงามอะไรใน พระนี้ตัดออกหมดเลยให้เหลือตั้งแต่ความเป็นพระเท่านั้นเองยึงไม่มีค่ามีราคาในสายตาของโลกนะแต่ในสายตาของธรรมพระเราไม่ต้องการสวยงามอะไรยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมเพราะฉะนั้นขอทุกทุกท่านบวชมาในพุทธศาสนาได้ศีลได้ธรรมประดับตนแล้วให้ประดับให้สง่างามด้วยความระมัดระวังสัรวมทุกอย่างหินิโอ ต, ตปะ ให้ติดแนบกับกายวาจาใจของตนความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุ่งมุมอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมจะเรียกว่าเป็นเครื่องประดับตนตลอดไปนี <c oughs> ่แหละสมบัติอันล้นค่าอยู่กับพระกับเนรผู้ปฏิบัติตนได้ตามคำสอนของพระพุทธเจา้าศีลสมบัติคือศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสมาธิสมบัติ สมบัติอันคือสมาธิความสงบร่มเย็นเป็นสูขภายในจิตใจจากคิดแต่ภานาก็เป็นสมบัติอันล้นคาญปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณาตั้งรอบโ ล, โลกธาตุประมวลลงมาแล้วสลัดปัดทิ้งหมดโดยสิ้นเชิงเหลือตั้งแต่ทําสง่า ง, งามภายในจิตใจนี่ก็เรียกว่าสมบัติอันล้นคาญอยู่ในพระของเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี เพราะฉะนั้นถ้าเราอย่าหาคุณค่าหาราคาหาของดีของหนีจากอะไรเลยเนื่องจากจากศีลจากธรรมนี้เท่านั้นใหน้พากันพยายามหาความสวยงามหาความชุ่มเย็นเป็นสุขหาความดูดดื่มชุ่มเย็นกับบรรดาประชาชนตั้งหลายที่เข้ามาพบมาเห็นและกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจกลับไปบ้านไปเรือนด้วยความชุ่มเจ็นนี่คือสมบัติของพระ ที่ที่ได้จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนใครมาพบมาเห็นก็อยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจพูดออกมาคำไหนมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้พูดแบบโกโลโกโั o น, นั้นไม่เรียกว่าพระฉันขอให้ทุกๆ ท, ท่านพระลูกพระหลานจงสำรวมระวังสงวนรักษาสมบัติของตนคือศีลสมบัติสมาธิสมบั ต, บติปัญญาสมบัติ จนกระทั่งมีมุติสมบัติขอให้ได้มาครองภายในจิตใจสมเราเป็นลูกตาสาคตและลูกตาสาคตมากันตั้งแต่สาวกอรหันมาเป็นลูกตาสาคตทั้งนั้นเป็นผู้สังหรวนระวังเรื่องศีลย่างชาไม่มีใครเกิดลูกศิษยาสาคตคือมาตั้งแต่พระอรหันตลงมาเรื่อยจนกระทั่งถึงพวกเราให้เลยสืบมรดกอันล้นข่าหนี้ไว้าภายในกายวาจาใจของตน จะเป็นผู้มีค่ามีราคาตลอดไปอยู่ที่ไหนที่ไหนศีลทำไม่ห่างจากตัวเองก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกๆฝีก้าวนั่นแหละนี่แหละคือความสวยงามความสวยงามของพระนั่นคือการสังรวมระวงังกายวาจาใจทุกอย่างให้สะอาดไปด้วยศีลด้วยธรรมอย่าให้มีสิ่งใดเข้ามาเป็นเครื่องโสโครกรยกลุงรางภายรรจในจิตใจนี่เรียกว่าพระที่สวยงาม ผ้าที่ทรงสมบัติอันุโลมฆ่าไว้ได้ตามทางของตถาคตที่ทรงแสดงไว้แล้วขอให้พารุ่นพ า, านานตั้งใจปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิขอให้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผิดเป็นใจจริงๆเป็นการเป็นงานจริง ๆ, ๆอย่าทะเละทะลายไปหากิจการงานภายนอกเข้ามาอืทําลายกิจการงานภายในซึ่งเป็นงานจําเป็นได้แก่กิจตภาวนาของเรา อยู่ที่ไหนให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาตัวอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการรักษาตัวด้วยความดีงามของศีลของธรรมอย่าให้คาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมไปเมื่อไม่คาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมพระองค์นั่นเนนองนั้นมีความสวยงามตลอดไปและอบอุ่นตลอดเวลานี่ละสมบัติของพระเราคือศีลคือธรรมคือมากคือผล น, นิพพานนี่คือ สมบัติของพระเราที่จะได้ครองต่างจากสมบัติทั้งโลกทั้งหลายที่เขาครองกันอยู่มากทีเดียวถึงพากันให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนให้ดีอย่าลืมเนื้อลืมตัวบวชเข้ามานี่พอบวชปับ๊บเท่านั้นออกมาจากโบสถ์สีผ้าเปลี่ยนไปแล้วเวลาเราเข้าไปก็เป็นผ้าขาวเข้าไปบวชอยู่คารวาสก็เป็นผ้าดังที่เราเห็นนั่นแหละเข้าไปบวชก็เป็นผ้าขาวเข้าไปออกมาเป็นผ้าเหลือง หัวล้นออกมาเลยตั้งแต่นั้นตั้งแต่ก้าวออกจากโบส์มาเป็นผ้าโดยสมุนแบบแล้วศีล227รยีเตรักษาให้ดีนี่แสมบัติอันร้นค่าคือศีลของเราให้ปฏิบัติให้ดีมีความสังรวมชีวิตจิตใจของเราที่เคยเป็นมาคะแล้เป็นมาแต่คารวะนั้นไม่ว่าท่านว่าเราต่างคนต่างมีเป็นตามนิสัยของตนด้วยกันเวลาเข้ามาบวชแล้ว ชีวิตจิตใจนิสัยที่เป็นคารวะมาดั้งเดิมที่ขัดต่ออัดต่อทำต่อศีลต่อเพศของพระแล้วให้ปัดออกให้หมดอย่าให้เข้ามาเกี่ยวข้องในเพศของพระชีวิตของพระให้อยู่กับผ้าด้วยศีลด้วยธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นข้อสาคัญที่เราทั้งหลายจะปฏิบัติตนให้รับความชุ่มเย็นาศาสนาพุทธเจ้าของเรานี้คือตลาดแห่งมรรคนิพพานตลาดแห่งความดีเลิอทั้งหลายอยู่ที่ พุทธศาสนานี้ทางนั้นขอให้ต่างสั้นต่างตัก ต, งตวงเอาด้วยความภาคเพียนพยายามของตนทางฝ่ายพระก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้สมเพศแห่งความเป็นพระของตนจะได้เดือดร้อนเพราะศีลไม่บริสุทธิ์มือจิตใจวกว้งฟ้าวุาวาน่นฝุ่นวัวแบบเหมือนโลกโลกเขาใช้ไม่ได้จิตใจของพระที่กุมกลืนไปด้วยศีลได้ธรรมต้องเป็นจิตใจที่มีความสงบเร่ิมเย็น อ, อยู่ภายในนั่นแหละ ้าในธรรมท่านก็สอนไว้ให้มีสติรักษาจิตใจของตนเรื่องศีลก็ข้อไดที่ท่านทรงบัญญัติไว้แล้วข้อนั้นคือาศาสดาของเร า, าศาสดาของเราอย่าไปข้ามเกินฝ่าฝืนถ้าข้าเกินฝ่าฝืนหลักตำลักวินยัยนี่แล้วเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเราไม่ได้บวชเหยียบม า, มาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าบวชมาเพื่อเทิดทูนพระพุทธเจ้าและ พยายามบำเพ็ญความดีเข้าสู่ตนต่างหากอย่าให้ขัดแย้งกันการปฏิบัติตนให้มีความชุ่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมระมัดระวังเสมอเวลานี้โลกก็ยิ่งหนานแน่นไปด้วยคลื่นของที่เล็ด จ, จนศาสนาหรือธรรมจะไม่ปรากฏแล้วให้รู้ตัวรู้ตัวทุกคนอยู่ในทํามกลางโลกแต่เราเป็นพระเราปฏิบัติอรธรรมม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของพระของเราแล้วเรียกว่า ทางของเราเบิกกว้างตลอดเวลาถึงโลกจะครับแคบติดตันด้วยความทุกข์ความท ร, รมานความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่จิตใจของเราเบิกกว้างไปด้วยศีลด้วยธรรความสงบร่มเย็นความสังหาราศีภายในใจของตนให้เบิกกว้างไปด้วยศีลด้วยธรรมนี่ละเรียกว่าเป็นพระของศาสนาโดยแท้ปากันตั้งอกตั้งใจไม่เช่นนั้นศาสนาจะไม่มีเหลือก็ไม่มีเหลือในตัวของเรานั่นแหละ เนี่ยพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ท่านไม่ไดมาแบ่งสารปันส่วนอะไรจากเราท่านสอนไว้ด้วยพระเมตตาใครปฏิบัติตามท่านผลรายได้ก็เป็นของตัวเองท่านไม่เอาอะไรท่านถึงที่สุดกิมูดหลุดพ้นไปแล้วสอนโลกด้วยพระเมตตาทั้งนั้นน่ะไม่ได้มีส่วนได้ที่จะทรงแบ่งเอาไม่มีมีแต่พวกเราที่กาลังหิวโหยเลยแล้วถูกโจรค้นแค้นด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีให้พยายามกัน ขนขวยหาศีลหาธรรมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเพื่อใจจะได้รับความสงบด่อมเย็นในบรรดาสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เคยบกพร่อมการเกินอยู่ที่ไหนอยู่กับสมบัติเนินทองเข้าของนี่ตั้งนั่นละแต่โลกก็ไม่พ้นด้วยความยุ่งเหงวุ่นวายความทุกขความท ร, รมานภายในจิตใจก็ข้อสิ่งอนั้นเพียงเป็นเครื่องอาศัยไม่ได้เป็นสิ่งแน่นอนตายใจได้เหมือนศีลเหมือนธรรม ศีลธรรมนี้เป็นสิ่งสาคัญมากเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจดวงใดแล้วใยดวงนั้นจะ <c oughs> ค่อยเปิดโล่งขึ้นมาว่าหนึ่งว่าเกิดชาติใหม่ขึ้นมาภายในจิตดวงเดียวที่ถูกผู้หมอด้วยกิเลสสวมหมนั่นแหละและ้วกระจายเป็นจิตที่สะอาดสะอาดขึ้นมาแล้วก็สง่างามไปโดยลำดับนี่ละรมเข้าสู่จิตใจใดไม่มีคาวากไม่มีพระเพราะคาว่าใจใจนี้ไม่มีเพศ รับได้ทั้งบุญทั้บาปเหมือนกันทั้งพระและฆราวาสเพราะฉะนั้านตรงสอนแสดงหาคุณตามความดีเข้าสู่ตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไป <c oughs> เวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำอะไรเราก็ทำได้อือยากทำอะไรทำตามความอยากส่วนมากความอยากนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่จะฉุดลากเราลงทางต่ำให้ฟากั น, นมรมัดระวังนำทำเข้ามาเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้อย่าให้ <c oughs> มันข้ามเกินเบรกไป <c oughs> ห้ามล้ อ, อไว้ ส่วนใดที่เป็นผล ป, นประโยชน์เป็นมงคลแกต่ตนเองได้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้นี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าในปฏิบัติธรรมแล้วเรามีที่ยืดที่เกาะนะคนทั้งคนจะไปอาศัยอะไรก็อาศัยได้ชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอลมหายใจขาดไปเสียเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พังเราก็พังส่วนบุญส่วนกุศล น, นี่ไม่พังติดกับจิตใจของเราให้ฟากัน นรักการสมวนและสอบแสวงหาความความดีทั้งหลายนี่ให้มากให้มากในเวลามีชีวิตอยู่ถึงอย่างใดก็จะตายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกวันนี้เป็นโลกเกิดกับตายเรียนไม่เรียนก็รู้กันทุกคนแม้แต่สัตว์เขาก็กลัวตายนี่เขาไม่ต้องเรียนที่ไหนเขาก็กลัวตายเนโลกตายนี้เป็นโลกที่สัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันมากสุดเดียวแต่โลกเกิดนั้นสัตว์โลกไม่ฉิดนะพระพุทธเจ้า กลัวเรื่องเกิดมีมากกว่าเรื่องเรื่องตายท่านเึงสอนไว้ว่าดูข้างนาทิอาชาตัดสะทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นคือผู้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีทุกแล้วก็ไม่ไปเกิดในกําเนิดได้เพราะจะได้รับความทุกข์ขึ้นมาเหมือนโลกทั่วๆไปนี้ท่านไม่เกิดแต่ความมือสุดเต็มหัวใจท่านแล้วเป็นธรรมชาตินั่นเลยกลายเป็นธรรมชาติไปหมดเลยหนึ่ง นั่นละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วในเวลาครองขันอยู่ก็จิตเ ป, เป็นเป็นเป็นธรรมชาติอยู่ภายในจิตหรือจิตบริสุทธิ์พอพ้นจากขันนี้ไปแล้วเป็นธรรมชาติล้วนๆไปหมดเลยาหาความสูงไม่มีจิตนี้ไม่มีความสูงจะไปตกใ น, นโลกบกมกไม่จีกับจีกันด้วยบาปกามมันหนาแน่นขนาดไหนก็ตามมีทางที่จะหลุดพ้นขึ้นมาได้เพราะโลกอันนี้เป็นโลกอันนี้จา้างมีความแปลน เ ป, เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ช้าก็เร็วเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นมีทางเพราะฉะนจิตจึงมีทางที่จะผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายมาได้เป็นเลื่อนชั้นขึ้นไปในเวลาที่เล่าความทุกข์ความลําบากอยู่ใน <c oughs> นรกอวิชีนั้นจิตนี้ยอมรับว่าทุกทุกขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่จิตไม่เคยชิบหายไม่มีคําว่าชิบหายโจนกรนทั่ง ส่วยกรรมสิ้นสุดลงไปแล้วผ่านขึ้นมาก็จิตดวงนี้เองแล้วมาบำเพ็ญคุณงามความดีเลื่อนชั้นขึ้นมาเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงขั้นเป็นบริหารหลุดพ้นจากถูกเป็นธรรมชาติไม่มีคําว่าจิตนี่สูญหายไปไหนเสือศูนย์ไม่มีจิตไม่มีศูนย์นี่เป็นธรรมชาตินั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ถูกต้องแม่นยำทุกอย่างแล้ว พวัอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกชาวพุทธเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าเชื่อฟังคําของกิเลสที่มันกระสีกระซาบอยู่ตลอดเวลาไม่มีจิตดวงใดที่กิเลสไม่กระสีกระซาบมันสอนลงให้ลงตางต่ำต่างนั้นทำ ม, มาเราจะได้ยินได้ฟังเช่นเวลานี้ท่านเทศเราก็ได้ฟังทั่วหน้ากันเพราะจากเทศนี้แล้วกิเลสก็เทศสอนเรากระสีกระซาบฉุดลากเราไป ส, ส, ส, ส, สู่ซ่างต่ํา เราต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นกติเครื่องเตือนใจหักห้ามความชั่วชา้าละโมทังหลายนี้ไม่ทาเยียบรืรกห้ามรอการทำก็คือเรานั้นเป็นตัวดื้อด้านาทำทุกอย่างแล้วเอาทรรไปตีเข้าไปให้ความดื้อด้านมันเบาลงแล้วก็ลดน้อยถอยลงในการทำความชั่วและสร้างความดีหนักเข้าทุกวันทุกวันแล้วก็มีทางที่จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นไป ให้ทุกๆท่ทานได้ฟากันพิจิตรพิจานาเวลานี้ศาสานาธรรมของพระพุทธเจ้านี้แทบจะไม่ปรากฏในโลกแล้วที่ปรากฏอยู่บ้างเวลานี้ก็คือเมืองไทยของเราเมืองไทยก็ถูกทิเลตตีจะร่ำเข้ามาตมีจะร่มเข้ามาโจรจะมีจุดได้เกาะดอนได้ที่จะได้เป็นพุทธศาสนาที่น่ากล่าบไหวบูชาเป็นขอนตาขอนใจมันจําหมด เ, เสียจริงๆ แต่ว่าอย่างยิ่งในวงพระก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดี <c oughs> พระเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะสายหลวงปู่มั่นเป็นสายที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเขียบขาดในการสังหารความชั่วช้าหลามอมาทั้งหลายมีกิเลสเป็นตัวสําคัญตลอดมาอืท่านตั้งใจปฏิบัติทาร้าสิ่งเหล่านี้ตลอดะหลวงปู่มั่นนี่เหนียกว่าเลินเลยในการปฏิบัติองค์ท่านเอง ที่ไหนมีความทุกข์ความตรมานมากที่โลกเขาไม่ต้องการหลวงผู้มั่นจะไปปรากฏตัวอยู่ในสถานที่นั่นนั่นนั่นแหละที่เป็นความทุกข์อรา ม, มาคือโลกเขาไม่ปรารถนาท่านเข้าไปอยู่ที่โลกไม่ปรารถนาและสนุกบําเพ็ญสมณธรรมสะดวกสบายจนได้ปรากฏธรรมขึ้นภายในาจิตใจสงข์เจ้าขึ้นมาแล้วจะมาสอนโลกเและโลกทั้งหลายเขาน้อมรับน้อมรับจะว่าอย่างยิ่งในวงพระของเรา ได้ไว้เขารบนับถือกราบไหว้บูชาฟังอัดฟังธรรมจากท่านแล้วมาปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้มีขือมีแปรนี้ศีมีสมาธิปัญญาตามท่านที่สอนไว้แล้วก็กลายเป็นลูกศิษย์ท่านอา จ, จารย์มั่นขึ้นมาหรือสายท่านอา จ, จารย์มั่นขึ้นมานี่ละสายนี่ละพอมองเห็นอยู่บ้างเวลานี้นะพูดให้ชัดเจนพูดเป็นเสียงอัดเสียงธรรมท่านเหล่านี้เป็นผู้สอดแสวงหาอยู่ในป่าในเขา อยู่ที่ไหนท่านบำเพ็ญอัดบำเพ็ญทำตลอดเวลามักฝนนิาพานตักตัวเอาเรื่อยๆไม่อยู่ไม่ถอยนแล้วท่านก็นได้มาคล้องหัวใจเป็นหัวใจที่สง่างามอยู่ในป่าในเขามีน้อยมาหล่ปัจจุบันนี้มีไม่น้อยนะบรรดพาพระที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าท่านอยู่เงียบเงียบของท่านนั่นแหละอืมอืมคนหนึ่งว่าไม่ปรากฏในโลกเป็นพระที่หมดละค่าราคาเป็นพระผ้าขี่ห่อหมู่ห่อพูดนั่นน่ะ ผ้าผ้าที่ริ้วก็คือผ้าสีกระดโลกเขาไม่ต้องการพระพุทธเจ้านํามาผ้าสีกระดที่โลกเขาไม่ต้องการนี้มาครองจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นี่เรียกว่าผ้าที่ริว้วห่อมูดห่อคู่ก็คือหมอมูดคู่ก็คือขี้โลกขี้โกรธขี้หลงนี่ห่ออยู่ในใจแล้วผ้าที่ริ้วนี้ห่อ มูดมาพูดและทำก็มีอยู่ภายในจิตใจชําระมูดพูดขี้โลกขี้โกร๋ขี้หลงอืมให้จานลงไปจานลง ไ, ไปจนเป็นจิตใจสง่างามและผ้าขี้ริ้วเลยเคยกลายเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองไปอผ้าขี้ริ้วนี้ครองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระรหารเลยเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองผ้าขี้ริ้วห่อทองเมื่อมาตกมาถึงพวกเราพระลูกประหลานนี่ขอให้เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองต่อไปนะ อย่าให้เป็นภาคทีร้วหอมุ้งห่อพูดมันใช้ไม่ได้ผ้าคีร้วหอความโล้ความโกรธราคาตันหาส่งเสริมขึ้นทุกวี่ทุกวนันก็หมดราค่าคาในเพศของพระของเรานั่นแหละอย่าให้เป็นผู้หมดราคาเราบวชมาเพื่อมีราคาสง่างามภายในจิตใจอย่าให้เป็นผู้หมดราคาในตัวของเราที่จิตใจต่จำทรามทาความชั่วชา้าหลามโมให้ทําตั้งแ ต, แต่ความดีงามทั้งหลาย นั่นแหละ <c oughs> การปฏิบัติภ า, าวนาขอให้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงๆท่านต่างหลายอย่าปล่อยวางการภาวนาถ้าปล่อยวางการภาวนาถึงจะว่าเป็นลูกจิตตถาคตหรือลูกจิตหลวงปู่มั่นก็ตามมันจะมีแต่ชื่อแต่เสียงเท่านั้นเนี่ยตัวของเราเลวใช้ไม่ได้ต้องปรปับปรุงตัวของเราให้ดีงามขึ้นไปแล้วาศาสนาจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มรคนิพานก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของท่านผู้ปฏิบัติตามทางของศาสด า, ศ า, ศานั้นแหละใครจะว่ามรคนิพานไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีก็ตามเขาไม่ได้สอดแสวงหาเขาก็ได้ตั้งแต่สิ่งที่เขาหาสิ่งที่เขาหาคืออะไรความโลภความโกรธราคาตันหาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มอุษาอันนี้ไม่โอดอยากยิ่งท่วมทนเข้ามาจะเยียบอัดเหยียบคำจนจะไม่มีเหลือหรอนี่เป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเราให้เป็นธรรมสง่างามอยู่ภายในจิตใจ ถึงไม่ออกข้างนอกให้สง่างามอยู่ภายในจิตใจของเราเรียกว่าผู้ครองธรรมครองศาสนาศาสนาเจริญที่หัวใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไม่ได้เจริญที่ไหนจเจริญอยู่นี่ท่านว่าสุ ป, ปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานญานยาปฏิบัติปฏิบัติปฏิปโนปฏิบัติเพื่อความรู้จริงแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในมรรคผลนิพพานจริงๆ สามีกี่ปฏิบั诺ปฏิบัติสวยงามน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวอนตาขอนใจนี่ท่านเหล่านี้แหละที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อนาบุญของเราท่านเรียกว่าเอสสะภะกัตโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละคือเ ป, เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลกเรียกว่าปุญกเขตตังโลกาสะนี่พระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั่วๆไปน่ เราให้ปฏิบัติให้เป็นเนื้อนาบุญในตัวของเราให้เต็มใจให้เต็มหัวใจแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยไปที่ไหนสง่างามผ้าขี้ริ้วจะโลกเขาไม่พึงปรารถนาแต่เขาก็ชอบจากกราบไหว้บูชาเป็นขอนตาขอนใจดีไม่ดีอยากจับอยากต้องนะแนะพลของพระที่มีศีลมีธรรมเต็มหัวใจนี้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายกราบแล้วยังไม่สนิทใจยังมือยังคว้าเข้าไปยัง ยังจับชายสวงจีวรจับเท้าจับอะไรท่านอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เขามีเจตนาด้วยความคารพเรื่อมใสเขาไม่ได้จับด้วยความกำลัดยินดีเขาจับด้วยการความคารมเรื่มใสอยากกราบไหว้บูชาเป็นขนตาขนใจได้สัมผัสสัมพันธสเล็กน้อยเขาก็พอใจอยากจับอยากต้องนี่แ่ะอํานาจแห่งธรรมเพราะอํานาจแห่งธรรมนีมม่มีความสง่าง า, ามมากนะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละ มันท่าน ม, มีคุณค่าอยู่กับนี้นะคุณค่าจะกับศีลธรรมศีลธรรมคลองใจศีลธรรมคลองใจใต้ครองร่างกายแล้วสง่างามประดิษตามกันหมดถึงร่างกายสังขารทั้งหลายจกเท่าแต่ชราก็ตามแต่ทองทั้งแท่งครอบอยู่ในร่างกายร่างกายนี่กลายเป็นทองทั้งแท่งประดิษตามกันเท่าแต่ชราอะไรก็ไม่เห็นมีสําคัญยิ่งกว่าทองทั้งแท่งที่ ใจครอบครองอยู่แล้วมาครอบคลองร่างกายกลายเป็นทองทั้งแท่งไปตามกันเพราะฉะนั้นเวลาท่าน <c oughs> นิพพานบรรดาภพท่านเป็นพระหลานนิพพานมาแล้วอัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตก็เพราะเป็นทองทั้งแท่งอยู่แล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนื่องจากจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นสักฟอกซักฟอกตลอดเวลาตั้งแต่ท่านบรรลุแล้ว <c oughs> จิตใจที่บริสุทธิ์นั้นซักฟอกร่างกายซึ่งเป็นส่วนหยาบเหมือนโลกทั่ตๆไปให้กลายเป็นของละเอียดสวยงามสะอาดไปตามกระแสแห่งธรรมที่ซักฟอกนั้นด้วยเหตุนี้เวลาพระลรหันท่านบรรลณาภาพแล้วอัถิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้นี่เพราะจิตของท่านซักฟ อ, ตอกตลอดเวลาไม่มีอิยาบทซักฟ อ, ตอกตลอดเวลายิ่งเวลาท่านทําความภาคเทียนสงบใจ เช่นเดินจำกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นเรื่องเป็นเป็นเวลาที่จิตใจที่บริสุทธิ์นั้นซักฟอกส่วนร่างกายเต็มสัดเต็ ม, มส่วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าอยู่ธรรมนาก็ซักฟอกโดยหลักธรรมาชาติไปอย่างละเอียดละ อ, อ่อนพอมันเข้าสู่สมาธินี้เรียกว่าซักฟอกเต็มเหนียวเพราให้ท่านเวลามาราภะลงไปแล้วอัตถิของท่านจึงกลายเป็นพาธาตุพเพราะเลิอดอยู่แล้วภายในตัวของของธาตุนั้นของคันอันนี้นะ <c oughs> นี่แหละคนเราดีเพราะใจนะท <c oughs> ่าใจดีสัอย่างเดียวทุกอย่างก็จะดีไปตามๆกันหมดขอทุกๆ ท, ท่านบรรดาฝาลูกฝาหลานทากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าเฉื <c oughs> ่อยชาในเรื่องศีลเรื่องธรรมนะอืให้คำหมักคำเม่นต่อศีลต่อธรรมมักคนที่ผานอยู่กับท่านตั้งหลายผู้ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้อยู่ตามคำผีเวลาไม่อยู่ที่มืดที่แจ้งที่สว่างที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติธรรม อากาลิโกผู้ปฏิบัติความดีงามไม่ว่าอยู่ที่ไหนเป็นความดีตลอดเวลาทั้งพระและคารวะขอให้ปฏิบัติเถอะเป็นความดีงามด้วยการตังนั้นถ้าไม่ปฏิบัติกรัมภีก็ไม่เกิดประโยชน์จับชายกีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์นป เ, เ, ปชน <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะอยู่ที่การปฏิบัติตามของทางของศาสดานี่เหมือนกับว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวนั่นแหละขอให้มันเป็นผู้มี ทำมีวินัยคือศาธุราโองค์เอกเป็น <c oughs> ทุกข้อความหัวใจเราไว้กายวิาจารอะไรเราไว้ทุกอย่างจะเท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันถ้าถ้าว่าเราไม่สนใจการปฏิบัติแม้จะใจยิบอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดจึงขอให้พาลูกาหลานตั้งใจมาพิจารณาปฏิบัติวันนี้ที่พากันพร้อมเพียงกันมาด้วยอาจารย์ศรีเป็นหัวหน้า สั่งให้มาก็เป็นมงคลทั้งอาจารย์ศรีด้วยเป็นมงคลทั้งท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตามท่านด้วยวันนี้เรียกว่าวันเป็นมงคลของพี่น้องทั้งหลายที่ได้มา ย, ยินเสียงอัดเสียงทำแล้วบริจาก ท, ทานตามกําลังความสามารถของตนไม่เสียผลเสียประโยชน์เรื่องทําในใจก็ได้ยินได้ฟังได้นํานไปพูดปฏิบัติเพื่อเป็นมงคลแก่จกิตใจของตนต่อไปนี่เรียกว่าเป็นมงคลมากแล้ว บรรดาพี่น้องทางหลายขอให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะเรื่องกระแสของกิเลสนี่เป็นคลื่นใหญ่โตมากทับทับไปหมดแทบจะไม่มีาศาสนาในโลกนี่แล้วาศาสนาที่แท้จริงไอาศาสนาของกิเลสกลมายาของกิเลสกลนุบายของกิเลสที่ทแสดงตัวออกมาเป็นาศาสน า, สาศาสนานั้นเต็มโลกเต็มศาลแต่ไม่มีาศาสนาใดจะเป็นคําสอนที่สวั า, าดรามตัดได้ชอบแล้วเหมือนคําสอนของาศาสนาเอกของเรา พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่บริสุทธิ์พระไทยแล้วคือเป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยแล้วมาเป็นจัดสดาสอนโรคคาสอนนั้นจึงเป็นสวากาสะสัมจัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดมีเพี้ยนไปเลยเลยคําสอนอลค์นั้นเป็นคําสอนของกิเลสใครจะตั้งตัวมาเป็นจัดสดาเป็นเจ้าของศาสนาไหนก็ตามเป็นเจ้าของนั่นคือครังกิเลศเป็นเจ้าของการระบายดิสแสดงออกมาทุกแง่ทุกมุม จะต้องแสดงไปตามแง่ของทิเดศบ่งบอกบ่งการออกไปเรื่องทำบ่งการมันไม่มีในใจจะ อ, อะไรมาบ่งการก็มีแต่เรื่องทิเดศ ท, ที่เต็มอยู่ในหัวใจสอนเท่าไหร่มันก็เป็นไผ่เป็นไันยศาสนานั้นศาสนานี้ยิ่ยงเป็นศาสนาที่เป็นมหาภายัยนั่นคือกองทัพทิเดศเป็นตัวมหาภายัยและมาอ้างว่าศาสนาเฉยๆลากความจริงแล้วเป็นอย่างที่ว่านี่แหละไม่พุทธศาสนาเท่านั้นเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด สอนเป็นอัจฉริยะยกสัตว์ทั้งหลายให้อยู่พ้นตั้งแต่มันตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงนิพพานได้คือพุทธศาสนานี้การกล่าวทั้งนี้เราไม่ได้เยียบย่ําทําลายศาสนาใดแล้วพูดตามหลักของจริงของผู้สิ้นิจเกเรศแล้วมาเป็นเจ้าของศาสนาและเป็นทางที่เลนมาเป็นเจ้าของศาสนาต่างกันทางที่เลนมาจะเป็นเจ้าของศาสนาก็สอนกันทางทิ่เลนทั้งนั้นทำมาสอนโลกก็สอนด้วยความเป็นธรรมเรืด่วนนี่ต่างกันที่สองนี้ ขอให้ทุกๆท่านได้นําไปพื้นปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะพยายามสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ตัวของเราเพราะยังมีชีวิตอยู่ในกันตายแล้วหมดสุดวิสัยที่จะทําได้นะเวันนี้เทศนาวการก็เห็นละหลวงพ่อแก่ท่าแก่ขานแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเค่ะโอ้โหเหน่อย